พระธรรมเทศนาแผ่นที่74ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าสแสวงหาวิชาแก้ความตายเมื่อวานก็ ไปในงานศพของคุณโยมรู้สึกว่าคนมามากอยูอ่แล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เป็นประธานฝ่ายคารวะก็คือท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมมาเป็นประธานฝ่ายคารวะแล้วก็ฝ่ายสงฆ์ท่างเขาก็ยกให้หลวงพ่อเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก็รู้สึกว่าพระก็เยอะอยู่เนนพระเนนเนนเนเ น, เนเยอะพระไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ก็พอนั่นเขาขอนิมนต์หลวงพ่อแสดงธรรมเมื่อวานประมาณบ่ายบ่ายโมงเมื่อวานหลวงพอ่อพอเสร็จเขาไหว้พระเสร็จแล้วเขาก็อาราธนาศีลห้าหลวงพ่อไปท่าสถานที่ใดที่แปลกแตกต่างที่สถานที่ยังไม่เคยไปอย่างเมื่อวานเนี่ยพอเขาอาราธนาศีลห้าหลวงพ่อจะบรรยาย หรือบอกกล่าวเรื่องคุณค่าของศิลปะผลประโยชน์ของศิลปะผู้ศิลปเนี่ยคุ้มครองโลกอย่างไงศิลปะเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์โลกอย่างไรถ้าคนร้นายศิลปะไม่มีศิลปะและโลกจะเป็นอย่างไงพอก็อธิบายเมื่อวานอย่างละเอียด อย่างที่พวกเราได้ฟังในเอ็มพีสามหลวงพ่อหลวงพ่ออธิบายเรื่องศีลห้าเนี่ยหลวงพ่อว่าหาฟังได้ยากเหมือนกันนะจะหากูบาอาจารย์พูดเรื่องเกี่ยวกับศีลห้าเนี่ยหลวงพ่อได้พูดศีลห้าให้คณะัทธาญาติโยมฟังแล้วก็หลวงพ่อเขาก็อาราธนาเทศเมื่อวานเนี่ย พอให้สินจบแล้วเขาก็พรมมาจจโลกาอารลัฏนาแสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้พูดเออคุณยมอายุหกสิบกว่าก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่มรณะภาพเป็นมรณะลงไปแล้วแต่พวกเรามาแสดงความ สังเวชจิตใจเพื่อได้มาปรงความสลดว่าคนเราทุกคนมีเพียงแค่นี้หนอะไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ถึงจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยมากดีจนอะไรก็ตามก็ไม่มีใครที่จะพ้นจากมรณะภัยไปได้ ความตายไม่ได้เลือกสถานที่ขนาดนักบินบินอยู่ทั้งฟ้าก็ยังไปช็อกอยู่บนอากาศยังได้บินลงมาแบบฉุกเฉินพอฉุกเฉินก็ตายอีกต่างหากกับตันมือสองก็ใหม่ๆนี่เองขนาดขึ้นไปบนอากาศคิดว่าพยายยมพยามัจยุราชขึ้นบินถวะ ทยานขึ้นฟ้าไม่ได้ไม่ใช่เอยขนาดขึ้นไปอยู่ในกลางอากาศพยามัจจุราชก็ยังขึ้นไปบีบคอทางนั้นอีก <c oughs> คงจะขึ้นคงจะขึ้นพร้อมกันกับ เ, เครื่องบินขึ้นมัง้งคงจะขึ้นไปพร้อมกันแฝงอยู่นั่นน่ะพอได้ทีก็บีบคอเลยนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะ่ะมาสู่วัดว า, าศาสนาคิดว่าจะหลีกนี้นีพ้นไม่ได้ หลีกนี้ไม่ได้นะเรื่องมรณภัยเพราะฉนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําบอกกล่าวสั่งสอนอย่างนั้นหลวงพ่อก็ได้ขึ้นเป็นพุทธภาสิตว่ามรนังเมผะวิสติขยะวยธรรมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติขึ้นบทภาสิตอย่างนั้นกันใดอธิบาย ได้กล่าวสังเวทนิยกถาเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษยชาติไม่เลือกชาติชั้นวันะนไม่เลือกที่ไหนที่ไหนๆพร้อมที่จะตายด้ทุกเวลาเวลาทุกโอกาสนอนหลับตายก็มีกินข้าวอิ่มๆตายก็มีเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้เตรียมพร้อมให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ พระพุทธเจ้าของเราถ้าเราศึกษาในพุทธประวัติแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยกลัวตายนะทำไมยังพูดอย่างนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประสูตรที่กรุงกบิลพัทพอประสูติออกมาใหม่พระเจ้าจุดโทธทนะก็นิมนเชิญโหน มาทำนายเอาหมอดูคือโหนโหนหลวงแต่ก่อนหน้านี้กับฤาษีที่เขาเคารพนับถือเลื่อมใสในกรุงกบิลพัทที่พระเจ้าแผ่นดินนับถือพระเจ้าจิโทธนะนับถื อ, อพอมาเห็นศิษฐธธาแล้วยังมากราบยังได้เอาฝ่าเท้าใสหัวอีกต่างหากทั้งที่ท่านเป็นฤาษีอายุมากแล้วท่านก็ร้องไห้โอ้ ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ข้านะไม่ทันเสียแล้วข้าจะต้องตายก่อนเพราะข้าอายุมากเนี่ยท่านฤาษีท่านก็พยากรไว้ก่อนนะนี่หละใครใครเเห็นจากนั้นก็เชิญโหนร้อยแปดมาทำนายสิท ธ, ธะนะัตถะพอมาแล้วก็กั้นม่านสิท ธ, ธัตถนอนอยู่ในห้อง พักอยู่ในห้องห้องสิิหมความสวยงามพรามประธานประธานพราม์พรามเขาก็ต้องเรียงตามอายุอายุใที่เขามาพอมาถึงแล้วเาก็ยกสองนิ้วยกสองนิ้วเสร็จแล้วก็เดินออกไปคนที่สองมาก็ยกสองนิ้วเดินออกไปยกที่สามยกสองนิ้ว จนถึงโกนธัญญาาพามที่เป็นาพามณ์หนุ่มาพามณ์หนุ่มในบรรด า, าพรามณ์ที่เป็นโหเนี่แหละโกนธัญญาาพามหนุ่มที่สุดมายกนิ้วเดียวยกนิ้วขึ้นมายกนิ้วเดียวแล้วก็เดินออกไปแต่ดีเขาก็พอยกเดินไปเขาก็เรียงนั่งพราหมท่านหะไรก็ไปเรียงนั่งเรียงตามลําดับอาภูโสพันเตเหมือนกัน พอเสร็จแล้วเขาก็กั้นม่านอีก เ, เขาก็เชิญพราหมณ์ขึ้นไปเขา้าไปแต่ละคนตั้งแต่หัวหน้าพราหมณ์ที่เป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่ที่ท่านยกสองนิ้วนั้นมีความหมายว่าอย่างไรพ ร, ราหมณ์ก็บอกว่าจิตถถะเนี่ยกลุ่มมานเนี่ยที่เกิดมาได้เจ็ดวั น, นถ้าหากว่าออกบวช จะเป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธเป็นต้นศาสนาใหญ่ที่สุดในโลกศาสนาหนึ่งถ้าหากว่าเป็นครวาสจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองใหญ่ที่สุดในแผ่นดินในยุคนี้เพราะนั้นกติเป็นสองเพราะนั้นข้าพระเจ้าจึงได้ยกชูสองนิ้วขึ้นอ๋อไม่มีอย่างอื่นนะไม่มีเพียงแค่นี้ เออไปคนที่สองมาอีกก็ถามอีกก็ยืนยันอย่างเก่าที่สามที่สี่จนถึงร้อยเจ็ดคนก็ยังยืนยันคำเก่าพอโกนทั ญ, ญาพามเข้าไปท่านโกนทั ญ, ญท่านทำไมชูนิ้วเดียวท่านมีความเห็นอย่างไรโกนธั ญ, ญบอกว่าตาราพามที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละจะต้องได้ตัดรู้ เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นนักพจน์เป็นต้นศาสนาต้นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดศาสนาอยู่หนึ่งในโลกนะโกลทันเพามแปลว่าหนึ่งเดียวนะจากนั้นก็เดินออกไปแต่นี่ก็เนี่ยทำให้พระเจ้าจุดโทธนาเนี่ยหวาดหวัน่นนะท่าอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะทำยังไงไม่ให้ลูกนี่เบื่อหน่ายโลก อไปณสถานที่ใดๆก็ต้องมีสแลนมีต้นกล้วยต้นอ้อยมีแต่สาวสวยๆมีแต่คนสวยๆแต่งตัวสวยๆมันก็มีแต่เหมือนกับสวรรค์อะไม่ให้เห็นอะสิ่งที่เป็นบาดหูบาดใจโขนเท่าคนแก่ที่ดูดูแลไม่ท่านน่นอะให้อยู่ภูมวงนอกหมด อ, อยู่ในให้อยู่นอกสแลนทั้งหมดเหมือนกันเขาเอาสแลนผ้ากัน่ นี่แหละเพราะนั้นสิทธิ ถ, ถึงจะอายุมากถึงยี่สิบเก้าปีท่านก็ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งประชาชนทั้งหลายเพราะเหตุหลายเพราะพระบิดาดูแลอย่างดีประครบประงมเหมือนเหมือนไข่ในหินพูดง่ายๆไม่ให้รู้เห็นสิ่งที่เป็นไม่พึงปรารถนาและไม่ถึงไ ม, ไม่ไม่เป็นที่พึงพอใจแปลว่า ไม่ให้เห็นรักษาอย่างดีทหารตำรวจมีแต่เรื่องที่เป็ดพึงปาธนาทั้งหมดนางสนมกำนันพออายุยี่สิบเก้าปีพระองค์ก็ได้เข้าสู่มงคลสมรสกับนางพิมพายะโสธราเมื่ออายุสิบหกปีจากนั้นพระบิดาก็ให ครองราชสวยราชเพราะว่าเป็นผู้มีสติปัญญาเสียบแหลมอยู่แล้วใครบอกปล่อยปล่อยได้พระเจ้าถุถโษก็ปล่อยเรื่องธ น, นูเรื่องอาวุธต่างๆไม่แพ้ใครในยุคสมัยนั้นจากนั้นก็พองค์ก็ปล่อยพระเจ้าถุดโะก็ปล่อยให้โลกเป็นผู้ดูแลปกครองแต่ตนเอง กด็ดูๆคล้ายๆกัตริย์เนี่ยแะดูภายนอกเนี่ยอย่งไรก็ประครบประงมให้ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่เมื่ออายุยี่สิบเก้าปีทีนี่ยอยู่กับนางพิมพ์พายโสธราอต่อมาเนี่ยปียี่สิบแปดยี่สิบเ้าเนี่ยนางพิพมพ์พายโสธราก็ทรงคันแก่ท้องโยอะไรที่เนี่ยจะได้ประสูตร พระเจ้าจุโธธนะเนี่ยก็เห็นว่าคงจะติดระมังบัดเนี่ยจะมีลูกอี่แล้วจะไปรักษาไปถึงไหนอันนี้ก็คงจะอยู่ละบตดเนี่ยพออยู่ในโลกอยู่ ก, กับเวียงในวังคงจะไม่มีอะไรได้เลยพระเจ้าจุโธธนะก็ลาลามือให้รือให้เห็นตามธรรมชาติเป็นยังไง เพราะนั้นธธจิตถตาจึงได้มองจึงได้เห็นคู่คนที่มาเกี่ยวข้องที่ไหอวันแรกแจะจะไปชมสวนอุทยานแต่ก่อนเคยไปไม่ไปคงจะไปไปก็แบบไปในสแสลนอย่างที่ว่านั่งรถไปร้อมรอบไม่ไม่เห็นข้างนอกเห็นแต่อยุดไปออกจากเวียงวังไปถึงอุทยานออกจากอุทยานกับถึงเวียงวังลักษณะอย่างนั้นแต่คราวนี้ เขาไม่ได้กั้นอะไรปล่อยเป็นปล่อยธรรมชาติแล้วก็มีแต่ทหารรักษาออพอไปวันแรกก็ไปเห็นคนแก่ใช่ไ เ, เ อ, อสิทธัถานั่งราชรถไปนายชนะเป็นผู้ขับรถมา้าพอไปไปเห็นคนแก่ผมขาวฟันหลุด คงจะหญิงเขี้ยวไอ้หัวโกงจุก ห, หัวเลาะมั้เห็นเห็นแต่เงือกค่ะคางงําไปหมดอหลังข้อมีต่างหากเจตธาตาก็ถามอันนั้นเป็นอะไรเพราะไม่เคยเห็นมันเหมือนมนุษย์แต่มันไม่เหมือนมนุษย์อันนั้นคืออะไรนายชันนะก็บอกนี่แหละคนแก่พระเจ้าพ่า เ, เขาทําไมแก่เขาแก่อย่างไงคนเราถ้าไม่ตายง่ายก็แก่อย่างนี้เลย ทุกคนจะต้องแก่เรานะ่แก่ไหมพระองค์ก็แก่มือนกันเมือ น, นี่แหละโอ้โหตายถ้าเราแก่างนี้เราจะหาความสุขได้อย่างไรมันดูดูแล้วไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเลยนี่ถ้ามองมองเห็นเออสิธิสลดใจอย่างมากเลยป้ากลับครับถึงจะไปชมสวนก็ไม่สนุกหรอกเห็นสิ่งที่เป็นอย่างนี้นะปะกลับ พอกลับมาถึงเวียงวังก็มานั่งคิดอจะทํำยังไงจะไม่แก่เหมือนกับคนนั้นอ่ะจะทําวิธียังไงเอ๊ะนี่แหละพอท่านเห็นอะไรท่านนำมาคิดนะมันจะหาวิธีแก้ไขฮะจะทํำยังไงจึงจะไม่แก่อย่างคนนั้น่ะที่เห็นน่ะอแต่ก็แก้ไม่ตกป่ะพอต่อมาอีกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคิดที่หลังสามสี่ห้าวันไปเอกป่ะ นั่งราช ร, รถไปอีกไปเห็นคนเจ็บอยู่ในเตียงเขาหามผ่านหน้ามาชักเิ็นชักงอทั้งร้องโวกเวกโอยอยคนเจ็บหนะ่อยศีฏฐ า, ากระถามฉั น, นะอันนั้นคืออะไรเขาเป็นอะไรคนป่วยคนค น, คนคนเจ็บคนไข้พระเจ้าขา่านทําไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นทุกคนครับมีโอกาสที่จะเป็นทุกคนแต่เป็นมากน้อยต่างกันครับมีโอกาสเราละ่ะ มีโอกาสจะเจ็บปวดอย่างนั้นไหมเนี่ยมีโอกาสครับโอ้ไปไ ป, ไปกลับกลับเพียงวั ง, งไม่ไปอุทยานอีกไปก็คงไม่สนุกเห็นอันนี้ตำหูตำต า, ตาบาดใจกลับมาก็มาเคอจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคนทั้งหลายมันจึงจะไม่เจ็บไม่ไข่เนี่ยวะจะมีวิธีการอย่างไรเนาะนีะ่เคสไม่ออกไม่เข้าเหมือนกันอเอาไว้ก่อน ข้าวนี่ยไปช น, นะพาไปพอไปอีกครั้งที่สามไปเห็นคนตายคนเมืองอินเดียก็คงตายเสร็จแล้วกว็คงจะมัดใส่แตะแค่และอะไรไม่รู้ล่ะเอาผ้าพันแล้วกว็คงจะหามสองคนเเอเขาถามเขาทำอะไรนีคนตายเอ้าทำไมล่ะเขาจึงตายทุกคนถ้าเกิดขึ้นมาแล้วกันเน่ตายหมดนั่นแหละเหมือนกับปู่ย้าตายทั่วทุกคน ไล่ลงมาเรื่อยๆพระเจ้าค่ะคนเกิดมาในโลกในตายไม่มีใครที่จะอยู่ได้นานเราจะตายไม่หนิไม่มีใครหลีกลีกล่หนีพ้นปไปไพระเจ้าข่าสนดสังเวชใจโอ้ไม่ได้กับชั้นหนะ้กับเวียงวังพอกาวเข้ามาคิดเอจะทํำยังไงจึงไม่แก่จะทํำยังไงจึงจะไม่เจ็บจะทํายังไงจึงจะไม่ตายนะีคิดพอได้โชคก็เอา เออเอาไว้ก่อนแกไม่ตกแล้วค่อยคิดทีหลังลป้ะเด็นกไปชนะไปชมสวนอีกพอไปเขาได้ไปเห็นสมณะคือนักบวชเอนักบวชไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ตามลำพังอยู่ในที่เปี่ยวๆ เ, เนี่ยคงจะเป็นป่าละเมาะหรือว่าเป็นต้นไม้อยู่ในชายชายทุ่งชายป่านั่งอยู่ตามลำพังขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งกม้มนานั่งคิดสิท ธ, ธะนั่งรถไปนั่งราชรรถไปก็ไปเห็นถามในชนะชนะอันนั้นเป็นอะไรสมณะครับคือนักบวชท่านต้องเพ่ง เ, เพ่งหาธรรมของท่านท่านเทพเพ่งในศาสนาในความเชื่อของท่านท่านท่านกาลังเพ่งพินิษ ในเรื่องที่ต่างๆในเรื่องต่างๆสีท า, าเห็นกน็ถ้าเราเนี่ยนะถ้าเราออกบวชเนี่ยเราจะต้องทําอย่างเนี่ยองค์เนี้ยอย่างพระองค์เนี้ยสัมมาอางเนี้ถ้าเราอยู่ในเวียงวังเนยไม่มีโอกาสที่จะต้องคิดหาวิธีที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีทางที่จะคิดได้เ พ, ออไเพราะเหตุใดเพราะ แต่ละวันกลับไปอยู่ถึงเวียงวังสองบริหารเรื่องวังบริหารเรื่องคู่คนทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องบริหารเรื่องปากเรื่องท้องประชาชนกฎหมายประชาชนและก็ต่างประเทศรักษาดินแดนอีกต่างหากเท่ารุปตำรวจทหารพี่ภาคสารายการมีมากมายที่เราจะต้องดูแลบริหารถ้าเรามาอยู่อย่างท่านสมณเจ้าโองนี่คงจะ เป็นเป็นช่องทางเป็นโอกาสที่เราจะค้นคิดตามลำพังถ้าเราอยู่ที่เวียงวังไม่มีโอกาสแน่นอนในใจเท่านี้พอแล้วก็เห็นสมณะเสร็จแล้วก็ไปชมสวนเสร็จแล้วก็กลับมาพอกลับมาถึงอย่างไม่ได้เข้าไปถึงเวียงวังม้าเร็วก็วิ่งมาบอกว่าพระยาค่าพระแม่เจ้าพิมพายโสทราประสูต์แล้วพระเจ้าค่ะลก ออกมาเป็นผู้ชายหน้าตายแยิ้มลิ้มแข็งแรงพรนานไมัยดีมากพระเจาค่ะพ่อได้ยินว่าพิมพาอัคมเหสีประสูติเท่านั้นลหละใจตกบูบเลยความรักความรักลูกที่ไหน อ, อย่างแรงเลยเท่านบอกโอ้ถ้าเราขืนอยู่คารวะเนี่ยเราคงจะไปไม่รอดแน่แน คงจะเป็นอย่างนี้นะเออเพราะว่าเพราะว่าเครื่องผูกพันเกิดกับเราแล้วนะเออท่านจึ ง, งตั้งชื่อว่าราหูนะนราหุนะราหุนแปลว่าเครื่องผูกพันนะถ้าพูดพูดแปลเป็นภาษาไทยของเรานะราหูนะเนี่ยคือเครื่องผูกพันเกิดกับเราแล้วนะเออคนโบราณก็ว่าลักลอบเหมือนเชือกผูกคอ อลักษามีภรรยาเหมือนปอผูกศอกลักสมบัติเข้าของเหมือนปอกยักขาใส่ขาเอาไว้ติดเอาไว้กับต้นหลักต้นเสาอสมบัติเหมือนกับเสาพระสุเมนอแล้วก็มัดโซ่ใส่เอาไว้ล่ามเอาไว้อย่างพวกเรามาวัดก็ยังคิดถึงบ้านถึงเหอนโอ้เป็นยังไงนาะกิจการของเรานาะลูกของเราเนาะที่ดินของเราอย่างนี้แหละอันนี้คล้ายๆกับ ว, ว่าอาปอก ปอกใส่ขาเอาไว้ไปที่ไหนไม่ได้ต้องกลับมานี่นี่แหละคนโบราณเขาเรกว่ารักรูปเหมือนเชือกผูกคอสามีภรรยาเหมือนปอผูกศอกรักสมบัติสมพัฒน์ฐานเหมือนปอกใส่ขาเอาไว้ยักติดกับพัฒน์ฐานวัส ด, ดุที่ดินที่ดอนเรือสวนไร่นาำบ้านที่เลือนบ้านช่องเกหาสถาน นี่แหละอันนี้ก็คือศีทธรรมท่านเหตุมัอลามุนะเครื่องผูกพันเกิดกับเราแล้วถ้าเราไม่รีบหนีไม่ได้เราต้องติดพันธนาการแน่ๆ น, นี่แหละโอกาสที่พระพุทธจเจ้รราของเราศีธรของเราเนี่ยที่ได้ท่านได้หนีออกจากเวียงวังถ้าสรุปแล้วก็คือท่านกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายไม่ใช่อย่างอื่นจากนั้นพระองค์ก็ นัดกนันนายชนะไม่ได้บอกใครเลยถ้าบอกกับคนจะคงจะมานอนขวางถนนเนี่ยผมเอ้ยเราจะนี้ไปบวชแล้วนะปากต่อปากคำต่อคำคนจะกรูมามาก็คงจะไปไม่ได้มานอนขวางถนนไวนะ้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่ธธาชิตตถะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าของราชจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นที่รู้กันของประชาชนอยู่แล้ว จากนั้นท่านก็เลยขโมยหนีกลางคืนไปกับนายชนะสามชีวิตคือม้าขันทกะแล้วก็สีทัตตะพระพุทธเจ้าเขาเรานั่งหน้ า, านายชนะเนี่ยเกาะเกาะหางมา้าหลวงปู่จามไมไปหาเกาะหางม้าได้เกาะหาง ม, าม้าก็หลุดต๊กหมดนะคงจะขืนไปขืนนั่งซ้อนหลังแล้วก็เกาะเอว สิทธฐานะจริงจะอยู่ได้ม้าวิ่งเร็วขนาดนั้นจะไปเกาะหางม้าได้ยังไงหลวงปู่จามว่านี้เราก็ไม่ได้อยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นนะเขาว่าอย่างไงเราก็ฟังฟังไปแล้วกันนะหลวงพ่อพ่อที่ฟังพวกเราก็ฟังหลวงปู่จามแสดงความคิดเห็นเราก็เห็นด้วยแต่ถ้าว่าเกาะหางม้าเนี่ยเราก็เห็นด้วยอีกเหมือนกันเพราะด้วยความเคารพ ในศิตธัตถะอาจจะเกาะหางมา้าเทวดาอาจจะช่วยก็ได้ไม่หลุดใช่เพราะว่าถึงยังไงยังไงเทวดาก็ตั้งเยอะแยะที่จะประครบประงบช่วยพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะตั้งนันหนีออกไปกลางคืนไปถึงแม่น้ำอโนบานทีจากนั้นก็ทรงพนวดการทรงพนวดจากนั้น ลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเหมือนกับหาวิทยาศาสตร์อย่างนั้นนะหรือหาจะคิดเลขก็หาข้อกฎหมายหรือหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคิดอยู่ทั้งหกปีในขณะที่ท่านคิดนะาจะไล่เรียงมาแต่ละวีแต่ละวันเนะี่ยคงจะมากทีเดียวคงจะตำตำราพระไตรปิฎก ค, คงจะไม่มีที่จะเขียนยนะ่นแแต่พูดถึงสูตรสาเร็จในวันนั้น วันเดือนหกเพนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณวันที่ท่านได้ตัดสรุปท่านทําอย่างไรในวันนั้นที่วันสุดสําเร็จด้วยวันสําเร็จของพระท่านท่านทำอย่างไ ร, ท, ท, งไรท่านก็บอกชัดเจนบอกว่าวันนั้นวันเดือนหกเพนพระจันทร์เต็มดวงตอนย่าค่าพระอาทิตย์ยังไม่อัจฉริพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนายโสธยะ คนในตะแวกนั้นะออไปเกี่ยวหญ้าเหมือนกับเราไปเกี่ยวหญ้าคาใช่ไหมมามุงหลังคาบ้านอแต่เขาแปลกเขาทําไมไปเกี่ยวหญ้าหน้าฝนนะตามจริงเราเกี่ยวเกี่ยวหน้าแรงใช่ไหมใ น, นสมัยนั้นเขคงมันหลังคามันรั่วเวลาไหนเขาคงจะเกี่ยวเวลานั้นเอห น, หน้าญ่ามันงามนะโสธิญาไปเกี่ยวหญ้าคาอคงจะหาบมาบ้านเราก็คงจะหาบ ใส่เหลาเราก็หาบมาข้างรับสีก่กำมือค่างได้สีก่กำมือจากน้าเห็นสิทธัตถานั่งอยู่ตามลำพังที่โคล น, ต, นต้นโพต้นโพลากมันกระตกปุ่มตะปั่มไม่เรียบราบเพราะเราก็เคยเห็นว่าต้นโพน่ะนลากฝอยมันลอยอยู่ในพื้นดินสิทธัตถาก็เห็นน่าจะเอายาคาไปถวายไปมอบให้ท่านสิทธัตถท่านจะได้นั่งสบาย จะนอนสบายๆนะคนคนนิสัยถูกกันเป็นอย่างไรเห็นแล้วกเขาลบนับถือเลื่อมใสเอมใก้เขาว่าจะจะทำยังไงจึงอำนวยความสะดวกให้เนี่ยนี่ะคนถูกกันถ้าหากว่าคนไม่ถูกกันจะทำดีอย่างไงกระตาเกี่ยวปัดใส่กันพอเห็นเยฮ้ยทำท่าอย่างนั้นดูถูกอีกต่างหากแต่คนที่มีศรัทธามีน้ำใจ แล้วก็คนเคยทำคุณงามความดีด้วยการมาในอดีตชาติพอเห็นก็ถูกชะตาถูกอุปนิสัยเห็นจะช่วยเหลืออย่างไงที่ท่านนั่งอย่างนี้ที่จะได้รับความสะดวกเดือนหกด้วยดินก็ชุ่มอีกต่างหากท่านจะนั่งอย่างไงจึงจะได้รับความสะดวกสบายนี่แหละโสติยะเขาก็เลยนำยาคาแปดกำมือเข้าไปมอบให้ พอท่านสิทธัตถะได้ยาคาแปดกำมือท่านก็หาทำเลที่นั่งนะท่าท่านก็หาไปได้ทางทิศตะวันออกอท่านก็ได้ยาคาแปดกำมือสลับหัวสลับท้ายใช่ไหมเพราะยาคามั น, มนทางหามก็ตรงเนือกว่าหัวใช่ไหมแสดงว่าสลับหัวสลับท้ายแสดงว่าเป็นอาสนะจากทา่านก็ขึ้นท่านก็ขึ้นไปนั่งหันหน้าไปหันพระพักไปทางทิศตะวันออก นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายนั่งอยู่ที่ยญ้าขาแปดกำมือนะจากนั้นก็อามือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นพระองค์ก็ดำรงเอาสติอยู่เฉพาะหน้าคือกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยพวกเราจำเอาไว้นะนี่แหละกรรมฐานของพระพุทธเจ้าอย่าไปอย่าไปสงสัยว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้นะ่ะท่านทําอย่างไรนี่แหละกรรมฐานนะที่พระพุทธเจ้าให้ภาวนาแต่หลวงปู่มั่นท่านมานํามาไปยุคใช้ว่ามันหลุดได้ง่ายควรจะบริกรรมพดโธเข้าไปด้วยหายใจเข้าพดหายใจออกโทนะ หลวงปู่มันท่านเอาสองอย่างเข้ามาใส่ถุกนั้นแต่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าจริงๆในวันนั้นที่ท่านได้ตัดรู้นะกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกไม่ได้ตามลมเข้าไปในท้องแล้วก็ไม่ได้ตามลมออกไปข้างนอกเพียงแต่รู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก เหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นน่ะที่เรายืนอยู่ข้างประตูคนผ่านเข้ามาเราก็รู้คนผ่านเข้ามาหล่นคนผ่านออกไปเราก็รู้ว่าคนผ่านออกไปเราไม่ต้องตามคนเข้ามาข้างในศาลาเราไม่ต้องตามคนออกไปข้างนอกไม่ใช่เดินออกไปเดินออกมาให้อยู่นิ่งอยู่ข้างๆข้างๆประตูรู้ว่าคนเข้ารู้ว่าคนออกนี่แหละอันนี้คือการกําหนดลมของพระพุทธเจ้า จากนั้นพระ อ, องค์จิตใจพระไทยของพระ อ, องค์ไม่ได้คิดถึงอดีตไม่ได้คิดถึงอนาคตนะอดีตคือเรื่องผ่านมาวันวานมันก่อน เ, ออเรื่องเก่าแก่ไม่ได้คิดอดีตอนาคตวัเราจะทำยังไงวันพรุ่งนี้เราจะไปชั้นที่ไหนบินทบาทอย่างไรจะไปคบคู่คนกันอย่างไรอันน้คืออนาคตท่านก็ไม่ได้คิดเอาใจอยู่ในปัจจุบันเอาใจหนิง่งอยู่ในปัจจุบัน ที่ปลายจมูกเท่านั้นจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์ความรู้สึกของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจนิ่งไรตวีรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเกิดฌานมีความรู้พิเศษขึ้นมาอีกในขณะที่จิตสงบท่านวปุบเพนิว่าสานุสติญาณและลึกชาติโถนหลังได้ ยาของท่านระลึกชาติทนหลังได้แค่ว่าท่านมองสิทธะท่านนั่งอยู่ที่นี่ท่านมาจากไหนเนี่ยมาจากกรุงกะบี่ละวัดแล้วก่อนที่ท่านจะมาเกิดท่านมาจากไหนมาจากสวรรค์ชั้นรุสิเน่ยเป็นเทวบทุทอยู่ชั้นรุสิแล้วกาลังเจ็บขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปพรหมและเท ว, วดาได้อาราธนาให้ลงมาเกิด เป็นยุคของท่านแล้วท่านจะได้เป็นพระพุทธเจานะ้าเนี่ยท่านก็เดิลงมาต้องมาเกิดที่กรุงกระบี่ละพัดแล้วก่อนที่จะขึ้นไปเป็นเทวบุตรมาจากไหนท่านก็บอกมาจากพระเวทสันดอนอเป็นพระเวทสันดอนเป็นชาติที่10ที่จ่ายตายจากพระเวทสันดอนขึ้นไปชูสวรรค์แล้วมาที่มาเป็นพระเวทสันดอนมาจากไหนท่านก็ไล่ไปเรื่อยเลยจัว่า500ชาติ10ชาติ50ชาติ ที่พระพุทธเจ้าวสวยพระชาติเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่น้อยเพราะฉนั้นท่านยังว่าตายแล้วไม่สูญในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะถ้าพวกเรามานั่งอยู่ที่นี่เกิดมาที่นี่ที่เดียวไม่มีที่มาอไม่มีเมื่อวานไม่มีวันก่อนหลวงพ่อพูดวันก่อนไม่ได้พะมาเกิดมาวันนี้วันเดียวอมันเป็นวันนี้วันเดียวไม่ได้ เพราะมันมาเมื่อวานอดีตเมื่อวานอดีตแต่ชาติอดีตคือเมื่อาวานนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ในวันเดือนหกเป็นพอถึงเที่ยงคืนท่านก็ไม่ได้ลดละทําจิตใจให้สงบพอรู้พอรู้เรื่องของตัวเองนะท่มองดูคนอื่นท่านเหมือนกับมองเหมือนหลวงพ่อมองกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ละคนเลยเอ๊ะทำไมเป็นคนทําไมไม่เหมือนกัน คนนึงขี้ร้ายคนนึงขี้เลคนนึงสูงคนนันต่าเผลอเผลอคนนึงเป็นปา้าเป็นบวคนพิกคงพิการไปอีกมีมากมายทําไมคนจึงไม่เหมือนกันทตนี้พระองค์ก็มองดูว่าแต่ละคนเป็นยังไงมาจากไหนแต่ละคนมองดูแลท่านก็บอกโอ้คนเรามาด้วยกรรมฮ ะ, ะมาด้วยกรรมกรรมคือการกระทํา ถ้าเขาทำกรรมดีเขาก็ไปมาในทางดีถ้าเขาทำกรรมชั่วเขาก็กรรมชั่วก็ให้ผลที่มาเกิดเป็นคงพิคงพิการหูหอกตาบอดไปได้อันนี้ก็คือกรรมชั่วให้ผลเพราะนั้นพระองค์จึงว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังไอนะ้อกตัง๋งลูกกตังที่หลวงพ่อยกเรื่อยๆนะจากนั้นพระองค์ก็มอง ดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือในทำคําสอนของพระพุทธเจา้าหลวงพ่อก็บอกว่านี่นะ เ, เมื่อท่านทําจิตใจให้สงบแล้วพระพุทธองค์ท่านรู้ด้วยพระองค์เองว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันร่างกายนี่คือรูปประธรรมจิตใจนี่นคือนามนามธรรมรูปประธรรมและนามธรรมถ้าเรา จิตของเราใจของเราไม่สงบเราจะแยกไม่ออกเราจะไม่รู้แต่เมื่อเราจิตสงบนิ่งเมื่อไหร่เราจะรู้ได้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์จิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันร่างกายเหมือนกับรถติดจิตใจเหมือนกับคนขับรถที่หลวงพ่อพูดนะ คดรถกับคนขับรถเนี่ยไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับท่านจึงให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเดียวมโนปุกพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจในคนคนหนึ่งเนะี่ยเออมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าเนี่ยรถคันนี้เนะี่ยรถคันหนึ่งคันหนึ่งนะ โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วโดยโซเฟอร์นะถ้าโซเฟอร์ขึ้นขับรถเลย น, นะขับเชียวขับชนต้นไม้หมดกระโดดลงห้วยลงหนองคลองบึงไปที่ไหนได้ทั้งมดนะัดถ้าโซเฟอร์อจะให้รถคันนั้นไปที่ไหนฮเว้นเสียแต่สุดวิสัยของโูสุดวิสัยของรถไนงะ จะให้รถมันปีนขึ้นต้นไม้มันขึ้นไม่ได้แล้วมันจะชนนะชนต้นไม้เนี่ยเนี่ยมันก็พิษความสามารถมันของใครของเราร่างกายของเราก็เหมือนกันใจของเราจะบังคับขนาดไหนก็ได้บางคันก็ไปไม่ได้เออมันก็เท่าที่มันจะไปได้ร่างกายจะไปได้นี่ยรถก็เหมือนกันเท่าที่มันจะไปได้เหมือนกันเนี่แหละเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติพพวกเราก็คงจะรู้แนวทางว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะ่ยท่านสอนอย่างไรมีจุดประสงค์อะไรท่านได้ตัดสรู้ในวันนัทจากนั้นท่านก็จวนสว่างท่านก็ได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่แหละถึงอย่างไงก็พวกเราท่านทั้งหลายให้บริกรรมพุทโธ พร้อมกับลมหายใจเข้าออกที่พระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิหันพระพักไปทางทิศ ต, ตะวันออกพระพุทธองค์กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโธให้พวกเราแนวใช้แนวแถวของหลวงปู่มั่นแล้วพวกเราจะทําจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วนั่นแหละ นัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราจะได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงในสมาธินี่พระอาจารยขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่แหละหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับวันตายของเขาเมื่อวานวันก่อนเมื่อวานแต่หลวงพ่อไม่ได้พูดละเอียดถึงขนาดนั้นแต่ว่าแนวทางที่หลวงพ่อพูดพูดอย่างนี้แหละให้กับพี่น้องประชาชนที่มา ร่วมงานหลวงพ่อได้กล่าวนที่ได้เทศนาไปน่ก็คือได้กล่าวสังเวทนียกถาคือความสลดสังเวทใจยกขึ้นว่ามรณาางเมภวิสติทุกคนต้องตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้และก็ขยะวยธรรมมาสร้งางฆราอัปปมาเดนะสั้งปาเดธาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นก่อนที่พระองค์จะทรงผนวดออกไปบวชเห็นคนแก่กนเจ็บคนตายแล้วก็พร้อมกันพระองค์ก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเห็นคนตายนะจะทํายังไงจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีช่องทางไหมพระองค์จะได้กลีกลีออกจากเวียงวังถ้าขืนอยู่ในเวียงวังก็ตายเปล่าก็ไม่มีอะไรท่านจึงหนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่า ถึงหกปีทดลองออทดลองจิตศาสตร์สมาสินสมาธิปัญญาจนได้ตัดสรูเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพในวันเดือนหกเพ่นนะนี่แหละความเป็นมาของพุท ธ, ธะขอให้พวกเราเทุกทุกท่านนะตั้อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี้นะ